งหลงัเราเกิดมาชาตินี้เราจะตายเพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นต่อไปนี้เราจะไม่มาตายซ้ำซ้ำซากซากตายทับถมกันอีกต่อไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานี่คือคำประกาศย่างอาจหารของพระมหาเทระองค์หนึ่งนามหลวงตาพระมหาบวญยานสัมปันโนคำประกาศนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อออวดตน